ในปกนตะคาถ า, าเพื่อเพื่อเสื่อโสดสององค์สศภาบรลมีที่บันดาธานติกทราทานบดีทั้งหลายได้พร้อมใจกันมาบำเป็ญกุศลประจำ ป, ปักคือวันที่สิบห้ามกรากระดาคมสองพันห้าร้อสามิบห้าเป็นวันพุทธตรงกับแรมหนึ่งข้ามเป็อนแปกเป็นวันเข้าเป็นสา ต่ะการมาเป็นกุศลนั่นจัญญาสันมาปฏิบัติของบรรดาฉันพุทธบริษัทนี้มีมากมายด้วยกันบุญหลายอย่างหลายตระการจะเทศอย่างเดียวย่อมไม่มีผลไม่ครบกับบุญที่บรรดาฉานพุทธศาสนิกนชนมาทำเป็นแล้วในวันนี้ยังจะนําำอภินญาติศนามาเทศคำว่าอภิญญาต์แปลว่าเล็กเล็กน้อยสันส้นๆแต่ได้อย่าง วันนี้บรรดาท่านพุทบริษัททังหลายอันดับแรกก็พาทาถวายสังฆทานมีพระพุทธรูปเป็นต้นก็มีผ้าใส่บ้างไม่มีผ้าใส่บ้างมีอาหารนิดหนยบ้างในกาลที่สองก็นำเพียงขอถวาเข้าบรรสามาถวายในกาลที่สามทุกท่านตั้งใจถวายเป็นธรรมทานคือบูชาพระธรรม ทั้งหมดนี้ชื่อว่ามีอานิสงส์ใหญ่โดยเฉพาะอย่างยางงาาิ่งบรรดาธรรมพุทธศาสนิะชนทั้งหลายต่างก็ภาครสมาทานฉินด้วยสมาทานวลังเทศด้วยทั้งหมดนี้เป็นอานิสงส์แต่ละอย่างฉะนั้นดีรำมเทศเฉพาะสั้นๆสำหใับบรรดาทรรมพุทธศาสนจัมมัยหนึ่งการถวายทิพย์เข้าบารรษาเคียนเป็นแสงสว่างทําลายความมืด การถวายเคสขบันศาลนี้บรรดาทรรมพุทธวิสัทธ์หลายอานิสงส์ในการถวายเทียนท่านทั้งหลายในชาติต่อไปจะไม่มีความมืดทำให้ความมืดในใจของท่านคือปัญญาไม่ดีที่จะไม่มีจะคิดอะไรก็าตามจ ะ, จะมีความแสงสว่างคิดออกอยู่เสมอคิดได้ตามความประสงค์นี่อย่างหนึ่ง ให้ประการหนึ่งการถวิลถวายเทียเข้าพรรษาหรือว่าถวายกระแสไฟในเพ่อศาสนาเหมือนกันอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นเทวดาก็มีศมีกายสว่างมากต่อไปถ้าบรรลุมรรคผลจะเป็นบุคคลผู้เลิศในทิศย์ขุยานอย่างพระนุรุตอย่างพระนุรุตนี่ถวายเทียนเข้าพรรษาตลอดมา ตวาย้ก็ที่ผมไฟชอบวัดไหนมืดชอบสว่างถวายตะเกียงบ้างน้ำมันบ้างให้มีแสงสว่างต่อมาในชาติสุดท้ายเมื่อเป็นพระหานวิชาสามท่านสามารถมีทิพยุ ญ, ญาณสว่างกว่าคือพระหลานทั้งหมดแม้แต่หลาได้สันธิษฐายาหญก็จะสู้ไม่ได้ <c oughs> นี่ร็การหนึ่ง ถ้าท่านาหลายไปเกิดเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นชมก็จะมีรัศมีกายสว่างมากพระเทวดานางฟ้าและพรหมเขาถือรัศมีกายเป็นสำคัญเขาไม่ถือเครื่องแต่งกายเป็นสำคัญองค์ไหนถ้ามีรัศมีกายสว่างมากองนั้นมีบญมากตัวอย่างในเมื่อสมัยองค์ตั้งแต่พระพูทมีพระพาเจย์จะมีพระชนอยู่ เวลานั้นสาวกพระองค์สมงเกพระบรมสารีกคือพระมหากรสออกจากนิโรธาสมาบัติก็เป็นเวลาพอดีที่พระอินทร์ในวันก่อนวันนั้นพระอินทร์ท่านพาเทวดานางฟ้าทั้งหมดเดาดึงไปเที่ยวสวนนันทวันบังเอิญไปพบเทวดาสี่องค์ที่เกิดใหม่พระอินทร์ไม่ทราบ มีแสงสว่างมากกว่าพระอิน์พระอินก็ถามปัญจสิขาที่พุทธถามว่านั่นใครปัญจสิทธิเทพุทก็บอกว่าเป็นเทวดาที่เกิดใหม่เมื่อวานนี้มีแสงสว่างมากพระอินท์ก็หนักใจเลยกับวิมานไม่เที่ยวแล้วปวดหัวเพราะเป็นเจ้านายเขาจะมีแสงสว่างไม่เท่าเขา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 จา่นั้นเมื่อหากระสุกออกจากนิโรธสมาบัติปันดา น, นางฟ้าท่านหลายก็พากันเหาะมามาเป็นฝูงกจมามัทไธบตัตก็หากระสุกพระหากระสุกก็บอกว่าพวกเธอเป็นนางฟ้ามีความร่ำรวยแล้วมีความสุขจงหลีกไปฉันไม่สงเคราะห์คนรวยฉันจะสงเคราะห์เฉพาะคนจนนางฟ้าก็ต้องกลับ กลับไปก็เห็นว่าอินจัดแจงตัวพอดีตั้งใจจะมาใส่บาตรพระมหากรุศนางฟ้าก็กราบทูลว่าค่เทวราชอย่าไปเลยหม่อมฉันไปมาแล้วพระมหากรุศขับเพราะคนรวยไม่ทำไมทำบุญจะให้ทำบุญจฉพาะคนจนที่อินก็บอกว่าถ้าไปอย่างเธอก็ใส่บาตรไม่ได้ถ้าไปอย่างฉันเนี่ยใส่บาตรได้ จากนั้นพระ อ, องค์จึงนิมิตกระท่อมเล็กๆขึ้นชานเมืองถ้าสองคนตาใหญ่คือว่าทั้งสามีปัญญาปัญญาฉันด้วยก็แปลงเป็นคนแก่พัญญาแท่ก็นั่งทำกับข้าวอยู่ในครัวพระอิงก็เป็นคนแก่นั่งดึงดงดงดึงต้นหญ้าอยู่ชายบ้านพอดีกระหมายก็ัตริก็มีความิตรว่าร่างกายอดข้าวมาทั้งสิบห้าวัน เวลานี้มันต้องการอาหารเราจะมีใครสงเคราะห์เราบ้างใครจะไปวินาบาทก็มองเห็นภาพคนแก่สองคนน่าสงสารแก่มากท่านยายก็แก่มากท่านตาก็แก่มากท่านยายทำกับข้าวในครัวท่านตาถอนต้นหญ้าอยู่ข้างบ้านคิดว่าสองคนตายายนี่คนจะการสงเคราะห์ ท่าลืมใช้ชีปุญยานไปอย่าลืมว่าพระอรหันต์นี้ไม่ได้ใช้ท่านชีพยานตลอดวันนะเ <c oughs> ขาจะใช้เฉพาะเวลาที่จําเป็น <c oughs> แม้การเวลาจะล่วงเลยมาแล้วสักกี่กี่เดือนกี่วันก็ตามถ้าเขาต้องการจะรู้ก็รู้ได้ทันทีว่าคนนั่งคุยกันกี่คนนินทาพระกี่คนนั่นเสริรพระกี่คนอยากจะใส่บาตรเ ท, ท่าไรอยากจะฆ่าขัดเท่าไรเขาต้องการจะรู้จะรู้ได้ทันที เวลาจะเลยมแล้วก็ตามใครพูดว่ายังไงบ้างเขาจะรู้หมดดังนัาา้นพระมหากรสสก็ลืมใช่ที่ขุยใหญ่คือว่าไม่ใชิลืมไม่ใช่หน้าที่พระอรหันต์ที่ต้องใช้ตลอดวันถ้าอราหันต์มีการระวังตัวอยู่เสมอ <c oughs> คือไม่ปล่อยให้จิตพลาดจิตชานสมาบัติมีการทรงตัวให้ชานสมาบัติเมื่อเห็นคนแก่สงคนหน้าสงสารก็สองคนตายยาย่แรงตัวลงมาแล้ว ถ้ามหากรสบเห็นพูนแก่เข้าวันนันสงสารลูไหลก็ไม่มีลำบากเหลือเกินก็เหาะมาในอากาศพอ ถ, ถึงเวลาใกล้คนจะเห็นก็ต้องลงคนเห็นไม่ได้เดินมาเฉียดบ้านท่านตาก็บอกว่าเขาคุณยากเขารับเขาไดมนอยย่ก่อนแต่เรับผมสองคนตายยายจนมากอยากจะทําบุญกับพระก็ไม่มีโอกาสจะได้พบพระนานๆจะพบพระต่ครั้งหนึ่ง บางครั้งพบพระก็ไม่มีของทำบุญบางทีมีของจะทําบุญก็ไม่พบพระไปลาเน้นหาพระยากวันนี้กับผมมีอาหารเชา้ายังไม่ได้กินได้โปรดรอในหัรอก่อนถึขารัารารออรบถ้ามาหาก็สดก็หยุดท่านตายก็ล้องถานท่านใหญ่มาย้า ย, ายอาหารในครัวเสร็จแล้วจะยังได้ก็ต่อว่าเสร็จแล้ว ถ้าอย่างนั้นนามาใส่บาดพระท่านเถอะก็แกไม่ได้แกงมไกงม่ได้หงจะมิตัวเองอะเห็นไหมล่ะของคิดอย์เหนนะพอทําท่าเป็นแบบนั้นหลอกระหาเขาศพอย่าลืมนะถ้าหลังก็ถูกหลอกได้เหมืนกันนะถ้ใยาใญก็ดํถ่าหมาไอ้นี่มันเท่แข่งกับพระเลยวันนี้เท่แข่งกับหมาได้ดีเหมือนนะ เป็นอันว่าท่านยายก็นำอาหารมาท่านหั่นศพมันก็ไม่ได้สนใจพอใส่บาดลงไปในบาดเป็นอาหารเป็นทิพย์ก็เตะจมูกทันทีคือพระหมายก็สบนี้ท่านอยู่ป่าท่านฉันอาหารแต่แถวได้จนชินถ้าเปล่งก็ทบก็ก็รู้สึกทันทีว่านี่ของทิพย์จึงใช่ทิพยานดูอ่าาวตายจริง นี่มันไม่ใช่ ต, แตาแก่ในท้าวโกสีสกับเทวราชกับองนทหารก็ส่งคำถามว่าท้าวโกสีท่านร่ํารวยเป็นเทวราชเป็นเทวราชาแล้วทําไมมาแกล้งคนจนมาแย่งคนจนพระ อ, อจึงมีเราทศมาบ่ายเขาจะสงเคราะห์คนจนพี่ก็บอกว่าผมก็จนเหมือนกันครับท่านถามว่าท่านมีเวททยันตรีมารมาสูงต้องพันชั้นมีนางฟ้าประจมมารตั้งแสนองค์ ถ้ามีบริเวณกว่างใหญ่ไพศาลทําไมจะเรียกว่าจนท่าบอกว่าเมื่อวานนี้ผมไปสนนวนนันทวันไปเจอเทพูทึ่เป็นบริบาลของผมสี่องค์มีรักษณะกายสว่างกับผมไม่เพื่อผมเป็นนายเขาไม่แสนสว่างแต่กายสู้เขาไม่ได้แล้วก็ใช่ไม่ได้ต้องหาบุญบา ร, รมีเพิ่มนัก็ก็าท่านทำไงบอกทีหลังจะทําทอย่างนี้นะเอาไปแล้ว ใช่ไหนะ่เป็นไรไปเขากิงเข้าไปแล้วบอกกินแล้วอย่า ก, กินอีกนะเอาล่อทั้งหมดแล้วใช่ไหมเออท่านพระอินทราก็เลยยอมรับบอกที่หลังไม่ทันนะครับพอแล้วแต่ถ้าว่าบังเอิญมีเทวดาวไหนสวรรคกับผมผมก็เอาใหม่เช้ น, นี้เลิกกันพระอินทร่านก็เลยเหาะเข้าไปบรรากาศ ร้องเสียงกล้องทั้งกาลสุทินานางวจเมทาณังโหธาณังปรมะทาณังอมัมหอมหัสตะปานะอัศวะกิยาหังโหตุที่อยากโยวมว่ากันนี่เสียงนี้กล้องของพระนิสสุมหาวิหาทรท่านพระเจ้ากรุงเทศอยู่มีพระถามว่าเสียงอะไรพระเจ้าค่ะทา่านพระเจ้าบอกว่ากัดศพลูกชายตถาคตเสียท่าไป อ, อินเดียแล้ว เอาไปแล้วอีกเที่ยวหนึ่งโดนมาหล่เที่ยวเต็มทีพระหัตถสบนี่แต่ความจริงทรานปรทธานอาจารย์ทุกดงชั้นะนยนิชนะเนี่ยเล่าสู่กันฟังได้ก็เป็นอนุบาตการถวายเยงเข้าบันสายก็ดีถ้าเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพรจะมีแสงสว่างมากทันนี้การถวายสลองทาน การถวายสังฆทานที่บรรดา ญ, ญาติโยมพุทธศาษั์ถวายวันนี้ในพานในโตต้องแยกอันินงสองไม่ใช่ว่าจะได้อย่างเดียวโดยเฉพาะอันนสออันดับแรกคือถวายพระพุทธรูปถวายพระพุทธรูปนี่ถ้าตายจากความมีคนเป็นเทวดา ห, หรือเป็นนางฟ้าจะมีรัศมีตายสว่างมากเหมือนแสงเทียนสว่าง แต่การนี้สองท่าถวายผ้าไตรตายไปเบื้องหน้าเกิดใหม่จะมีเครื่องประดามหากษัตรและประสัตรมราคาสี่หกปอนดจะนองวิสาขาท้าถวายผ้าไมา่ถึงไตรจะมีเครื่องประดับอรรันเป็นทิพย์สวยงามเมื่กิดมาเป็นคนก็มีเครื่องแต่งตัวสวยมีอาหารหน่อยหนึ่งจะไปเห็นในร่างกายอารรันเป็นทิพย์เราดิ้ตัวอย่างตอนนี้คงไม่จบ เผื่อเทพจะจบก็ตายทั้งคนฟังทั้งของเทพเนตัวอย่างก็ม่รู้ว่าพระพระมาพระสาริบุตรเพิ่นวันหนึ่งท่านเจริญพระกรรมฐานพระอรหันต์นี่ไม่ใช่กิเกียรติบรรดาญาติโยมของบริษัทนะจะนึกว่าพระที่เป็นพระอรหันต์แล้วนั้นเลิกปฏิบัติวิปัสนาธรรมะวิปัสนาแล้ไม่ใช่พระอรหันต์นี่ทำถี่กว่าคนธรรมดามาก จิตจะไม่ยอมว่างจากฌานสมาบัติจะคุยกันอยู่จะเทศกันอยู่จะฟังกันอยู่อยู่จะใช้ก็ตามจิตจะไม่ทิ้งจากสมาบัติเลยคือติดตลอดเวลาเช่นนั้นเมื่อพระหมหาเมื่อพระศาสดบุตรเข้าสมาบัติแล้วก็ตั้ ง, ต, งตั้งใจไปเที่ยมนรกออกจากนรกมาสู่แดนเฟร เปรตมีเยอะแต่ถ้าไม่สนใจสนใจเปรตผูห้หญิงคนหนึ่งกาลังนั่งถือผ้าดึงไปดึงมาดึงมาดึงไปพขเข้ามาแลว้วก็ดึงออกเขาก็มาแลว้วก็ดึงออกหยุดไม่ได้จะหยุดไปไม่ตัวถ้าท่านเห็นผู้หญิงเปรตกน่ังเข้าท่านก็ยืนเฉยเฉยท่านรู้พระไม่รู้ต้องแกล้งทําเป็นไม่รู้อย่าลืมนะ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 ท่านก็ยืนข้างๆผู้หญิงเป็กก็ถามว่าท่านจงฉันได้ไหมอาศาที่มือก็แปลงถามว่าฉันกับเธอมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกันตั้งแต่เมื่อไหร่หญิงเป็กก็บอกว่าในสมัยร้อยชาติที่ผ่านมาแล้วฉันเคยเป็นแม่ท่านแต่ว่าเป็นหญิงใจร้ายขาดเบตตากรุณาม่ใจอมิต มีราคาเขาบ้างคือค่าสาัตว์บ้างรักทรัพย์ บ, บ้างโกงเขาบ้างอย่างนี้เป็นต้นแต่ท่านเป็นคนใจบุญยังกุศลแม่จะเป็นลูกก็ทําบุญให้ทานเสมอตายจากความเป็นคนชั้นลงมาเป็นเปรตท่านไปเกิดบนสวรรค์เวลานี้ท่านเป็นพระหันฉันยังเป็นเปรตอยู่สาวากสาวขององค์พระเดชระปรมุคถามว่าต้องการความช่วยเหลือไหม พีงเปิดอกว่าตาว่าท่านอยสงเคราะห์วันพุ่งนี้ชาท่านบินาบาทมาแล้วให้ถวายสั้งอารและประสงค์เส้าของพระสาสัมดมแลที่ส่งสงให้ฉันฉันจะมีโอกาสละจากความเป็นเรตเนเทวดาเป็นนางฟ้าภาษาที่หลวงพ่รับค <c oughs> มเมื่อตอนเชา้าท่านเป็นบินาบามาเวลานั้นท่านอยู่ป่า กับข้าวในป่าก็ไม่มีอะไรมากชาวปา่าเขาให้ที่ท่านมีตุ๊กศิษย์อยู่ห้าร้อยองค์เวลาจะฉันท่านฉันนอกวงลูกศิษย์ฉันต้องศิษย์ฉันในวงก็หยิบใบไม้มาใบหนึ่งเอาข้าวหยิบมือหนึ่งใส่ระทิียไปในวงพระน่าใบไม้หนึ่งใบใบม้แห้งหยิบกับข้าวนิดหนึ่งส่งในวงพระ นำน้ำําใสาบา่สาบาทสาบาทสานนบาทรหนึ่งถวายไปในองค์พระใช้ผ้ากว้างหนึ่งคลืบยาวหนึ่งคลื่นสระทรงไปในองค์พระเป็นการถวายสังฆทานนี่การถวายสังฆทานจริงๆนะไม่ต้องพูดอะไรตั้งใจคิดว่าเราจะถวายพระงฆทานนี่ก็เป็นสังฆทานแล้วไม่ต้องว่าไง ย, ยาวเหยียดจนทั้งพระหิวเมืม่อท่านถวายสังฆท า, าเนเสร็จ ท่านก็อทิศสุขส่วนให้กับโยมท่านหลังจากทำวัดสดวนชวเช้าเสร็จให้กับชวนพระสายสายอีกสามองค์มีพระอนุนบ้านโม ก, กลาพระสายกกบุเป็นต้นสร้างสไลาคนลหลังเป็ น, นวิหารฐานถวายไว้ในพุทธศาสนาให้สไลลาที่สร้างก็ไมามีอะไรเอาไม้ปักเข้าสี่อันแล้วก็ไม้ฟาดหลังคาเอาใบไม้มาคลุมเท่านั้นเอง ให้ต่างคนต่างก็อธิษฐานสวให้่นแต่มารดาภาษาญีบปุ่นพอถึงเวลากลางคืนพระทั้งหมดเจริญพระกรฐานนี่พระเอาสงฆ์จําลยนะบอกกับทุกทุกคนนะว่าพระไม่บวชมาเพื่อลองเพลงพระไม่บวชมาเพื่อจิต อ, อื่นต้งเจริญกรรมฐานสมถะหรือศาสนาพระหันทําให้ปกติ อะไรที่ไม่ได้ต้องทําให้ได้คําว่าไม่สามารถต้องไม่มีในเราดังนั้นเมื่อาา พ, พระาจะเจริญกรร ม, มาฐานแล้วตามธรรมดาพรามบกลนาพอจิตสงบท่านจะไปเที่ยวนรกบ้างสวรรค์บ้างแต่ว่าวันนั้นไม่ทันจะไปพราจิตเริ่มสงัดก็มีนาวฟ้าคนหนึ่งมาในอากาศแสงสว่างทั่วจักรวาล มีเครื่องประดัดก็สวยมีวิมานทองคำมีสัพกะกรณีพระบมกคัลลาก็แปลกใจว่าทุกคืนเราไปบนสวรรค์ไม่เคยเจอนางฟ้าคนนี้เลยคำว่าที่ท่านไม่รู้จักนางฟ้าคนไหนนี่ไม่มีนลพระมคคลารท่านเชื่อทุกวันจากนั้นท่านยังถามว่าพระกินิดูก่อนนอนหญิงเธอมาจากไหน มารดาภาษาจิบทก็บอกว่าฉันคือมารดาเพระาะภาษาจิบรมาร้อยชาติที่ฉันมาแล้วเมื่อตอนเช้าและตอนกลางวันมอ ต, ตอนเช้าภาษาจิบุตรได้ถวายพระตาหารเป็นสังฆทานมีข้าวหยิบมือหนึ่งใส่ใบไม้กลับกับข้าวหยิบมือหนึ่งใส่ใบไม้ประคองพระทั้งสองอย่างนี้เป็นปัจจัยเฉันได้ร่างกายอันเป็นชีพ แล้วก็ประการอีกสองภาษาทีาา่พุทธได้ถวายน้ำหนึ่งบะฟ้าบ่ายกับพระเป็นเหตุให้ฉันได้สะปกรกรณีแล้วรประการในสามภาษาทีุ่ทธถวายผ้ากว้างหนึ่งคือคือบยาหนึ่งคืบกับพระสงค์เป็นเหตุให้ฉันได้ร่างกายเครื่อเคื่องประดับอันเป็นทิพย์ท่านทั้งสีส่สร้างสรตลาหมาเณรขี่หลัง ถวายก็สงฆ์เป็นปัจจัยฉันได้ได้ได้วิมานเมื่อบรรดาญาโยพุะตุไวสัตย์ทั้งหลายไอ้สงไปอย่างนี้นะต้องเพ่เพื่อเพียรน้อยแตน้อยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้บรรดาท่านพุะตุไวสัตย์นอกจากจะถวายเทียนและถวายังคานแล้วก็ยังมีธรรมทานธรรมทานนี่เป็นธรรมที่สูงสุดในพุทธศาสนาคือเงินติดกันเทศ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 ไม่มีใครมีปัญญาดีเท่าภาษาที่โหดพระยาจอมพุทธไวยศิกษ์ก็เช่นเดียวกันวันนี้หลายท่านเอาเงินมาใส่ไข่ข้างหน้าธรรมาเป็นธรรมทานนี่การถวายธรรมทานในบรรดาญาติโยมพุทธศาสนาเขาค่อยกเลยนะการถวายสังฆทานของท่านกับการถวายเทียนเทียนมีแสนสว่ า, วางาปปเทวทูตโลกก็ไปเห็จะมีแสนสว่ า, วาง ถลกากบีพระอ่านเปนคิปถ้าถวายพระต่ายเยขันดามหาาวาสา์ทั้งหมดนี้จะเป็นปัจจัยทุกท่านจะไม่มีความยากจนเฉินใจในชาติต่ตอไปการถวายธนทานแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตพระพุทธเจ้าบอกว่าดินแดนใดที่เต็มไปด้วยความทุกข์มีความยากจนพลนร่งอย่างประเทศไทยปืนนี้ท่านจะไม่เกิดในที่นั้น ถ้าในสถานที่ใดมีความเป็นสุขมีความอารมณ์ของบุญในศรัพย์สินจะเกิดแต่ที่นั่นพวงความเนคนที่ถวายสังฆทานในจิตใจเรื่องใสจริงๆจะมีความโง่ในความจนหมายความทุกชาติจะหาความจนไม่ได้ช่างมันโง่กวช่างมั น, นเนะทําไม่จนก็นแล้วกันคือไม่รู้จักคําว่าจน อันนี้บรรดาบรรดาญาโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายการทำบุญวันนี้นอกจากสังฆทานและเงินของท่าน่วนใหญ่เป็นวิหารฐานม้นที่ติดกันเท่ก็ดีมันใส่แข็งก็ดีชนใหญ่ก็สร้างวัดบำรุงวัดเวลานี้กำลังทาสียี่สิบห้าลใช้เวลาไม่กี่วันหมดไปห้าแสนเสร็จแล้วในหลายล้านบาทสีสีนีนะ ก็เป็นวันว่าต่อที่ไปท่านกลับมถวายต่เป็นธรรมทานอีกต่อไปชาติเดิมหน้าถ้ายังไม่ถึงนิพพานเพียงใดคำว่าโง่จะไม่มีกับท่านสาความคิดใดๆที่มืดตื้อทึบตื้อตื้อคิดไม่ออกจะไม่มีกับท่านท่านจะไป็นคนมีปัญญาดีมีความปลอดโปร่งอยู่เสมอมีอารมณ์แจงใสมีความสุขมีความสบายอบนบันดาญาโยมิหตันหล นอกจากนั้นท่านจะสมาทานศีลความจริงศีลห่านไดจะรักษาครบครกทุกวันได้ก็ดีถ้าครบทุกวันไม่ได้รักษาวันพระให้ครบแล้ว ก, ก่อนจะนอนนอนลงไปแล้วก่อนจะหลับนึกถึงภาพที่เราเคยถวายฉนทานที่เคยมาทำบุญ ทำบุญที่นี่วัดนี้มีสภาพเป็นยังไงคิดว่าวัดทางวัดเป็นของเราเพเงินของเราที่มาถวายที่วัดนี้เราสร้างวัดนี้อาจมาไม่ได้เก็บแม้แต่เงินที่ถวายเป็นส่วนตัวก็ไ ม, ม่ได้เก็บเอาร่วมสร้างวัดหมดเพื่อนบรรดาญาโยมก็จะบริจัดเมียในสงฆ์มากขึ้นคือวัดถ้าซุงทั้งวัดเป็นของเราทั้งหมด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 ตั้งใจนึกไปเพียงเท่านี้แล้วก่อนหลับถ้าก่อนจะนึกถึงตอนนี้นึกถึงพระพุทธเจ้ า, จาก่อนนะว่าศาสนาจะมีขึ้นมาได้เพราะอาศัยพระพุทธเจ้าพระสงฆ์จะมีขึ้นมาได้เพราะอาศัยพระพุทธเจ้าพัดวาารามจะมีขึ้นมาได้เพราะอาศัยพระพุทธเจ้า น, นึกึพุทธเจ้าก่อนแล้วนึกถึงทางการให้นึกถึง ท, ที่ที่เราเคยฟัง มันจําเรื่องไม่ได้ก็ไม่เป็นไรว่ายเคยฟังเทศมันมแล้วเคยรักษาศีลมันแล้วเคยถวายสังฆทานมันแล้วมีพระพุทธรูปมีผ้าไตรมีผ้าเหลืองมีอาหารนิดหน่อยปลายเทียนเข้าสารเราก็ทําแล้วตอนนี้เราต้องการจะไปไหนถ้าต้องการสวรรค์นึกวา่าตายแล้วขอเกิดบนสวรรค์จะได้ทันทีถ้าต้องการพรมโลกนึกว่าตายคำนี้ต้องการพรมโลกก็ได้ทันที ถ้าเราคิดว่าเราจะไปนิพพานคิดว่าขอบุญบรารมีจนจนบรรลัเข้าเจ้าเข้าถึงนิพพานล้วก็จะไปได้ทันทีเหมือันทั้งนี้เพรา ะ, ะนนาอะไรเพราะวันนี้เป็นเทเสขององค์ปัจจุบันเมื่อวานนี้เป็นเทเสขององค์อมถมอมถมท่านบอกว่าการคิดอย่างนี้ก่อนหลับคิดหน่อยหนึ่งถ้าตื่นใหม่ๆก่อนจะทํางานก็คิดอีกหน่อยหนึ่งคิดทุกวัน การคิดทุกวันนี้มันตัดทุกวันการคิดคิดคิดทิ้งทานการให้ตัดโลภความโลภการคิดถึงศีลตัดโทสะความโกรธการคิดถึงพระธรรมเทศนาเป็นตัดโมหะความหลอนี่มันตัดทุกวันโดยเราไม่รู้ตัวนักนักเข้าอารมณ์มันก็จะชินชินที่เคยละสายไม่ยกโทนก็จะบกโทษ ทานที่เคยให้ยากเราก็ให้ง่ายให้น้อยแล้วก็ให้มากให้ตามกำลังไม่ใช่มากเกิพอดีแต่บอกว่าการคิดเท่นี้ไม่ใช่ผลไม่ใช่ของเล็กน้อยมันเป็นการเจริญสมถะอิปัสสนาอยางเป็ น, นตัวเสร็จอารมณ์ที่คุมให้เราคิดที่เป็นสมถะภาวนา ความรู้สึกที่เราคิดเป็นมิปัสนาภาวนาอย่าลืมนะหากิน ง, ง่ายๆไปง่ายๆดีกว่าห า, ากินยากๆแต่ยากๆเช่นเขามันได้ยากโยมพุษษษษษทธวิเศษถลนไหลโดยทนหนาเมื่อทำบุญแล้วจงอย่าทิ้งบุญเราทำบุญพิสลาหลังนี้เราได้บุญแล้วเมื่อลุกขึ้นไปแล้วอย่าให้บุญมันหล่น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 เยอะกว่าที่ห้ยไม่ทันจบดันเสียงร้องมาได้น้อยเนี่ยก็เป็นนั้นว่าขงกันดาญาโยมพุทธเกษตรหลายเจ้คิดว่าของทุกอย่างในวัดนี้เป็นของท่านเดินดูไส่ ร, บรอบๆว่ามันมีอะไรบ้างนี่รับเป็นสมบัติของเราทั้งหมดแล้วทานเราเคยให้ศีลเราเคยรักษาภาวนาเราเคย ท, ทํเาเพื่อแต่เังทำท า, เาเยททาเขาจะไหว เท่านี้รลบดดาธรพุทธวิสัตถไหยตั้งใจไว้ว่าเราตายแล้วจะไปไหนถ้าอยากไปสวรรค์ก็สั้นเกินไปอา น, นิสงส์งมันสูงอยากไปพรมโลกก็สั้นเกินไปอยากไปนิพพานดีกว่าไปนิพพานไปได้ยังไงพระจะบอกว่าขณะที่เรามีทุกขเวทนานหนักควจะตายเวลานั้นความโลภมันไม่มี ความโกรธจะไปตีใครมันไม่มีความหลงติดในร่างกายไม่มีเพรา ม, มีทุกขเวทนาหนักเวลานั้นนั่นแหละอารมณ์พระทิพย์พานจะเข้าแทรกทันทีถ้าเราคิดถึงวันหลังจากนั้นถ้าดับจิตเมื่อไรเขาปนิพพานเมือนั้นอริยบรนไดญาติโยมผู้โดยสัจธรหลาย น, านิกายมันเตือนเขาต้องเชื่อมันนะก็ข อ, อยุติพระธรรมเทศนาไว้จะเป็นทางนี้ที่ว่าเดี๋ยวหนึ่งไปที่พระเจ้าทรงเมืองนะ ต่อที่ไปก็เป็นหน้าที่ของชายยกอันธรรมยังกโลมาเตสาธุสาธุสาธุ